สัพพาสวะสังวรสูตรต่ออีกนะในหน้าย2สบและก็ข้อยี่สิบด้วยความในสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตอยู่ในมูลปริยยวักชื่อสูตรว่าสัพพาสวะสังวรสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการสังวร คำว่าสังวร น, นี้หมายถึงเป็นชื่อของความปิดกั้นเหมือนปิดประตูนั่นแหละนะสังวร น, นี้เป็นชื่อของความปิดกัน้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นอาสวะเนี่ยนะอาสวะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไหลไปหรือธรรมะที่หมักหมมก็ได้นะเหมือนกับพวกน้ำดองอะนะของหมักของดองอย่างนั้นะ <c oughs> นะการสังวร เหล่านี้เนี่ยมีอยู่นะตัวสังพนจริงๆนั้นมีอยู่ห้าอย่างใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ในพระสูตรนี้กล่าวเจดอย่างนันะนะนับตั้งแต่อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นเป็นต้นนั้นการศึกษาพระธรรมที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะเราศึกษาในลักษณะเพื่อเป็นอริยศัพท์ คือถ้าหากว่าเราตั้งใจศึกษาว่าจะต้องทำให้ได้นะในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระอริยะจนเกินไปซึ่งธรรมะบางอย่างพระอริยะที่ได้รับการฝึกท่านก็ปฏิบัติได้จนประสบความสําเร็จทีนี้ของเรานั้นไปถึงกระโดดไปใส่เลยไม่ได้ น, นะกระโดดไปใส่แล้วต้องทำตามเหมือนท่านเป๊ะๆหมดไม่ได้เคยได้ยินนะที่ว่าช้างเนี่ยนะช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยลงไปในน้าใช่ไห ไปดึงเงาบัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าช้างตัวใหญ่มันฉลาดมันก็ล่างล่างล่างล่างล่างแล้วก็ค่อยกินจนอิ่มลูกช้างเห็นเอาบั้งนะไปถึงเนี่ยถอนทั้งเงาทั้งรากทั้งดินที่ที่ตมที่โครนนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็สายปากกินไปเลยแล้วไม่ย่อยไม่ย่อยแล้วก็ตายการศึกษาพระธรรมของเราก็ลักษณะเดียวกันในเบื้องต้นนะศึกษาให้เห็นคุณของพระรัตนตรยัย ซ, ซึ่งเรานับถือว่าท่านเป็นสารณะก่อนใช่ไหมว่าออพระธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีแล้วแล้วก็ทรงแสดงเพื่อทรงเคราะห์อนุเคราะห์มู่เวนนยสัตว์นะพระธรรมคาสอนเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่บุคคลปฏิบัติตามสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้ แล้วก็พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคท่านก็ปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้จนประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะอันเราฟังเราก็จะได้ทั้งสุตะด้วยได้ทั้งศรัทธาด้วยทีนี้เราก็ตั้งจิตไว้ให้ชอบว่าเราตั้งใจจะปฏิบัติตามนี้ซึ่งในขณะนี้ยังปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติตามต่อไปเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอุ ด, ดมการณ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเรา ว่าคำสอนเหล่านี้นี่แหละเป็นคำสอนที่เราจะต้องปฏิบัติตามต่อไปแต่ในฟังแล้วบางท่านตั้งจิตไม่ดีโอ้ใครจะไปทําตามได้ะนะมาถึงเนี่เอาเลยโอ้ใครจะไปทําตามได้การกล่าวหรือความคิดในลักษณะนี้เป็นเป็นลักษณะของบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาในเบื้องต้นไม่มีศรัทธาในพระธรรตรายก่อนแล้วก็ไม่ศรัทธาในคาสอนเหล่านั้น แล้วตัวเองนี้ไม่ศรัทธาในตัวเองพอที่ว่าเอ๊ะตัวเองจะปฏิบัติตามได้หินี้โอตปะก็ไม่ไม่แรงกล้าไม่เต็มที่ไม่เป็นพละงั้นการเจริญกุศลธรรมในการศึกษาคำสอนนี่เราต้องตั้งใจให้ถูกก็คือศึกษาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรคำสอนแสดงไว้ในลักษณะใดซึ่งเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามนั้นโดยที่มีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วก็การศึกษาก็จะเบา แต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางท่านก็โหคือเพราะความที่ตัวเองจะต้องเป็นแบบนั้นเลยอ่ะเคยได้ยินนะศึกษาประวัติคนดังคนไหนก็จะเป็นเหมือนคนนั้นไปทุกคนเลยนั่นแหละเนี่ยนะอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเออเราก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างเนี่ยนะอ่านคนหัวดีๆก็จะเป็นแบบคนหัวดีบ้างอ่านคนแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นบ้างอันนะั้นเรียกว่าการอ่านเป็นต้นก็เพื่อเปรียบเทียบนั่นเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นแบบนั้นทั้งหมด าการศึกษาคําสอนก็ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ให้เรารู้ว่าเออนี่สารณะของเรานะอย่างอสีติสาวกของพระผู้มีพระภาคมี80องค์ใช่ไหม อ, อ่านประวัติภาษาริบุตรโอ้ดีเหลือเกินอยากเป็นภาษาริบุตรไปอ่านเรื่องฤทธิ์อีกไหมพระโมคคัลลานะเก่งจริงๆเราก็จะเป็นพระโมคคัลลานะคิดดูเราทุกขนาดไหนภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะมารวมอยู่ในคนเดียวนักเข้าไปอ่านประวัติพระมหากระสปะเออท่านอยู่ป่าองค์นี้เคร่งครัด ให้เราก็จะเป็นเหมือนพระมหากษัตริย์อีกแล้วบวกสามเข้าไปอป่านพระอนุนนท์เอกพระหูสูตรดีกูหูยทรงจําอ น, นุนนท์ก็จําได้หมดอันนี้ก็จําดีเหลือเกินเราก็จะเป็นพระอนุนนท์เอกบวกสีเข้าไปานะนะไปฟังพระอนุรุท ธ, ธะท่านมีตาทิพย์เนี่ยโล ก, กธาตุพันหนึ่งเหมือนกับมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือเอนะพระอนุรุทธะก็จะมาเข้าอยู่ในเราอีกอนะะได้อนุรุท ธ, ธะเข้ามาอีก สรุปแล้วไปอ่านประวัติใครก็จะเป็นไปเป็นเหมือนคนนั้นไปสมบต์นะฟังอนาถบินติกาก็จะเป็นอนาถอีกละคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยขาดศรัทธาเพราะว่าเราน้อมคุณธรรมของผู้ที่ควรบูชาเราเอามาใส่ในตัวเองที่จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นเป็นปูชาจะปูชนีบุคคลเป็นบุคคลที่ควรที่เราเคารพสักการะบูชาเป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงเป็นอย่าง เป็นบุคคลที่ควรปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อมไอความความสามารถมาใส่ในตนทันทีเลยซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นช้างเล็กๆที่ลงไปในน้ำแล้วก็ไปถอนบัวแล้วก็ยักตายปากเลยแล้วก็ตายเนีย่ยนะเพราะความไม่สุขุมไม่ไม่รอบคอบอ่าที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยนะเพราะว่าในเรื่องของการละอาสวะที่ที่จะต้องละได้ด้วยการสังวร น, นั้นจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ อินทียสังวรศีซึ่งอินียะสังวรศีนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะที่ให้คุณรุ่งเนี่ยนะได้ทำบุญใช่ไหมเอาสีมากลางกั้นให้เห็นเห็นนะจากขูวิญญาณก็จะได้เกิดขึ้นรับภาพวิถีจิตก็จะเกิดขึ้นทั้งในข้างในและข้างนอกนะคือคือมีรายละเอียดซึ่งลึกซึ้งพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งจิตไว้ไม่ดีเนี่ยนะ เราก็จะเป็นอกุศลในขณะที่ศึกษาคำสอนหมวดนั้ น, น, นไปแทนที่จะมีศรัท ธ, ธากลับเนี่ยนะอุทจักกุกุกจักก็เล่นงานมากขึ้น <c oughs> ข้อความที่กล่าวว่าอาสะวะที่ต้องละด้วยการสังวรนี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจักขุนศีอยู่ ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่จะก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เห็นะิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรในโสตินซีเห็นไะสังวรในทวารหู ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรในคานินรีอยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในชิวหินรีอยู่ภิกษุพ si ิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในกายินรีอยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินรีอยู่ ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความแค้นความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้พิจารณาโดยแยบคายนะใช้คำว่าพิจารณาโดยแยบคายอย่างไรชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคาย ก็คือพิจารณาเห็นโทษของการไม่สังวรนะนะเมื่อไม่สังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ทุกโทษอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็พิจารณาอย่างนั้นแหละนี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาเห็นโทษของความไม่สังวรนั่นเอง <c oughs> ถามว่าตัวสังวรนี่นะตัวสังวรทางตาเหล่านี้เป็นเชื่อของอะไร เป็นชื่อของอะไรที่มาสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นชื่อของสตินะเพราะว่าสตินี้เป็นธรรมชาติที่มาสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งคำว่าสตินี่นะเราก็ควรที่จะฟังโดยพิสดารจะยกข้อความในอัธสาลีนีที่ท่านกล่าวเรื่องสตินะซึ่งละเอียดพอสมควร ข้อความในอัธสาลีนีจิตตุ ป, ปาท ก, กัาเนี่ยนะขยายขยายถึงสติเจรสิกเนี่ยนะซึ่งในคำพีท่านใช้คาว่าสตินซีคือก่อนที่ท่านจะขยายอย่างนี้ท่านได้กล่าวถึงมหากุศลเกิดขึ้นก่อนว่าในมหากุศแ ล, ละจิตนั้นเกิดขึ้นโดยที่มีอารมณ์ทั้งหกอย่างเนี่ยนะ อารมณ์ของมหากุศลได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโพธพะและธรรมรมเพราะฉะนั้นมหากุศลนี้รู้อารมณ์ได้ทั้งหกประการแล้วมหากุศนนั้นจะต้องเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลและก็เป็นไปกับภาวนาเนี่ยนะทานศีลภาวนาก็ล่วงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม ในขณะที่มหากุศลจิตนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเรียกว่าภาษะปัญจกะมีภาษะเวทนาสัญญาเจตนาและก็จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วท่านก็แสดงว่าสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญยินรีทั้นการแสดงในจิตตุปาทกาันไม่ได้แสดงเหมือนอภิธรรมัตสังหะคือท่านกล่าวธรรมะ ทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างสติเป็นอะไรได้บ้างท่านยกมาแสดงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านใช้คําว่าเมื่อมหากุศลจิตเกิดขึ้นมีกุศสรธรรมเกิน50เกิดขึ้นในขณะนั้นเห็นไหมมีกุศสรธรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าสํานวนอภิธรรมัทสังขหาเราจะใช้คําว่ามีอัญญสมนาเจตสิกสิบสามโสพนา ส, สาธรณาเจตสิกสิวีระตีเจตสิกสามอปมัญญาเจตสิกสปัญญีสีเจตสิกหจะกล่าวแบบนี้ไปเลย อันนั้นนีเขรียกว่าสัมนวนอภิธรรมมทสังคหะส่วนพุทธพจน์จริงๆแล้วจะค่อยๆแสดงว่าผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเนี่ยนะภัษะเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นเนี่ยสัพทินรียเกิดขึ้นวิริยินทรียเกิดขึ้นสตินรียเกิดขึ้นสมาธินซีเกิดขึ้นปัญญิรยยนรียเกิดขึ้ น, นเนี่ยจะแสดง ทั้งหมดไปเลยนะบางทีก็แสดงว่าสัมมาทิฐิเกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะสัมมาวัจสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าสตินั้นเป็นทั้งสติสัมโพธชงเป็นทั้งสติพละอะไรเนี่ยแสดงทีเดียวหมดพร้อมกันเลยเรียกว่ากุศลธรรมเกินห0สบเกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะที่มหากุศลจิตเกิดขึ้นทีนี้สติ เจตสิกเนี่ยนะก็เกิดร่วมกับกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นซึ่งธรรมชาติของของโสภณะสาธารณเจตสิกเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขาต้องเกิดร่วมกับอะไรบ้างเกิดร่วมกับอัญญสศมนาเจตสิกด้วยเกิดร่วมกับโสภณะสาธารณเจตสิกด้วยถ้าสติเกิดร่วมกับมหากุศลที่เป็นอุเบกขาไม่มีเฉพาะปีติอย่างเดียว เ, นะเจตสิกที่เหลือเขามีหมดเลยเวน้นปีติเจตสิกแต่ถ้าหากว่ามหากุศลนั้นเป็นโสมนัส<ม>ก็จะมีปีติเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะมีอัญญสัมนาเจตสิกสิบสามโสพนา ส, สาธารณาเจตสิก19และยังอื่นอีกมีไหมนะถ้ามหากุศลนั้นมีปัญญาประกอบก็จะเป็นไปกับปัญญีสีอีกหนึ่งดวงแต่ถ้ามี การวิรัติเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะมีวีรตีสมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าอารมณ์นั้นเป็นสุขขีตัสสัตหรือทุกขีตัสัตนะอัปปมัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวีรตีสามอัปปมัญญาสองพระองค์แสดงว่าเป็นเยวาปนกะนใยเป็นเยวาปะนะการทเนี่ยนะเยาวาปะนะตัสมิงส ม, มเยบางอัน อันเยปิอัิปติจจะสมุปปนาอรูปิโนธรรมะอิเมธรรมะมกุสลามันเป็นธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะโดยเย ว, วาปนากรนายเนี่ยนที่จะพึงมีเข้ามาได้อีกตามสมควรแก่ธรรมะนั้นๆั้นอฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะของเราชื่อชมรมอะไรเนะยศึกษาพาะไตริดกชาวล้านนาตัง้งแต่อ่านๆมั่งนั จริงก็อ่านนี้แล้วเนอะวันนี้ก็อ่านสัพาสวะสังวรสูตรเห็นไหมควรที่จะอ่านให้กว้างๆเราก็จะได้ไม่ยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปนักเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันตรงนี้จะกล่าวถึงเฉพาะสตินีหรือสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลนะที่จริงแล้วสติเจตสิกเนี่ยนะมหาวิบากก็มีสติว่าไ ง, งมาเนี่ยหลับท่าขณะที่หลับมีสตินะเชื่อไหม เออหลับสนิทนี่มีสตินะแต่สติอย่างนั้นเนี่ยเป็นอัพยากตะบุญเก่าเป็นผลของบุญเก่าเนี่ยนะสติแบบนั้นเนี่ยพระ อ, องค์แสดงบางทีก็บอกว่าถ้าตื่นแล้วจิตเป็นอกุศลนะ่ะหลับเร็วน้อยกว่าางนั้นไอสติแบบนั้นไม่ต้องเจริญหรอกสติแบบนั้นปริญญาสามควรกำหนดรู้แต่ว่าสติที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นสติที่ควรเจริญนะ สติที่ที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เป็นไปกับมหากุศลซึ่งเป็นไปกับทานศีลภาวนาแต่เรากล่าวตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องสติที่เป็นไปกับการสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเน้นอินทรีสังวรนั้นอินทรีสังวรอันนี้เป็นเป็นศีลนะในจตุปาริสุทธิศีลสีส่เป็นเป็นศีลอ่าแล้วก็ถ้าโดยสังวรหเป็นสติสังวร โดยจตุปริสุทธิ์ศีลเป็นโดยจตุปริสุทธิ์ศีลเป็นอินทรีย์สังวรศีลโดยสังวร5เป็นอินทรีย์สังวรนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าสติคือเพราะเป็นเหตุระลึกเนี่ยนะคือสติเน hmm ี่ยนะเป็นเหมือนกับก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเครื่องมือ嘛สมมุติว่าถ้าเราจะตีตะปูเนี่ยใช้อะไรตีใช้คอนนะถ้าจะปิดถ้าจะปิด ต้องใช้ประตูใช่ไหมปิดห้องนี่ต้องอาศัยประตูเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าจะขุดดินนี่อาศัยใช้จอบใช้เสียมเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเครื่องมือถ้าจะตัดไม้ใช้ขวานอย่างเงี้ยชันใดก็ดีสติเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยระลึกได้เนี่ยนะถ้าอยู่ๆเฉยๆมันระลึกไม่ได้หรอกถ้าไม่อาศัยสติว่า ง, งั้นนะทนสตินี่เป็นเหตุให้บุคคลระลึกได้เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตัวเป็นเหตุให้ระลึกได้ หรือว่านี่นี่โดยโดยกรณานะโดยความเป็นเหตุแต่ถ้าสติตัวสภาวะของเขานั้นเป็นธรรมชาติที่ภาวะของเขาเป็นธรรมชาติที่ระลึกเท่านั้นหรือเป็นเพียงความระลึกเท่านั้นอันนี้เป็นการขยายลักษณะของไวยากรณ์ขยายศัพท์ว่าบุคคลนั้นจะมีสติได้ก็อาศัยเออบุคคลจะระลึกได้เพราะอาศัยสติเป็นเหตุระลึกหรือบุคคลจะฉลาดได้เพราะมีปัญญาอย่างนี้ อันนี้สติก็เป็นลักษณะนั้นบุคคลใจะ ล, ลือกได้ก็อาศัยสติและสตินั้นชื่อว่าเป็นอินทรีย์ด้วยอัตว่าเป็นอธิบดีโดยครอบงำความเป็นผู้หลงลืมด้วยสติเนี่ยนะก็คือคนที่มักหลงลืมนี่แสดงว่าไม่มีสติเนี่ยนะสตินี่เป็นตัวเหตุกาจัดความหลงลืมอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะครองความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการอุปการะ นะ อ, อ, อินซีเนี่ยก็คือเป็นใหญ่ในการอุปการะสตินั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าสตินินรีย์ก็สตินั้นมีการระลึกระลึกก็คือการไม่ฟั่นเฟือนเป็นลักษณะเนี่ยนะลักษณะที่1ของเขาคือมีการระลึกเป็นลักษณะ น, นะลักษณะที่2ของเขาใ น, นายะที่1 น, นะคือการระลึกในยะที่2ก็คือการเข้าไปประคองเป็นลักษณะ สตินี้ที่ว่ามีการระลึกเนี่ยระลึกอย่างไรนะที่ว่าสติให้ระลึกเนี่ยระลึกอย่างไรก็คือสตินี้ย่อมให้กำหนดนะคำว่าระลึกก็คือกำหนดนั่นแหละย่อมให้ระลึกกุศลกรรมโดยชอบนะเพราะว่าสตินั้นเกิดขึ้นสติเป็นกุศลใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นกุศลนั้นสตินี่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกุศลกรรมโดยชอบว่าเออนี่เป็นกุศลนะ เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ระลึกเหมือนขุนคลังของพระราชารักษารัตนะสิบยอย่างเนะี่ยนะย่อมอย่างพระราชาให้กำหนดให้ระลึกถึงอิสริยสมบัติในเวลาเชา้าเวลาเย็นฉะนั้นนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ให้ระลึกขึ้นะนะระลึกถึงกุศลกรรมที่เราจะต้องทำสติเนี่ยเป็นตัวให้ระลึกถึงบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องทำเนีย่ยนะ ก็เหมือนกับพระราชาใช่ไหมมีมีมขุนคลังขุนคลังก็จะมารายงานทรัพย์สินแต่ละวันเลย น, นะเช้าเย็นรายงานเลยเออท่านมีทรัพย์เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะท่านเป็นใหญ่ขนาดนี้ท่านสามารถจัดการกับทรัพย์สินเหล่านี้ได้สติก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกุศลกรรมกุศลกรรมที่จะต้องทําทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งเป็นปลายกลับโดยย่อๆก็คือเป็นปลายกับ ทานศีลภาวนานั่นเองสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกเป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านั้น <c oughs> อ่ะนะด้วยเหตุนั้นพระนาคเษนเถระจึงถวายพระพรพระราชาวา่ามหาบาพิษคุนคลังของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมให้พระเจ้าจากักรพรรดินี่ให้ระลึกถึงอิสริยสมบัติทั้งเวลาเชา้าและเวลาเย็นว่าข้าแต่เทวะช้างมีประมาณเท่านี้เนีย่ยนะก็รายงานทรัพย์สิลอ่ะนะ ช้างมีประมาณเท่านี้ม้ามีประมาณเท่านี้รถมีประมาณเท่านี้พนเดินเท้ามีประมาณเท่านี้เงินมีประมาณเท่านี้ทองมีประมาณเท่านี้สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ขอเทวะจงระลึกถึงอิสริยสมบัตินั้นนะก็คือขุนคลังเนี่ยใช่ไหมไปรายงานทรัพย์สินว่าเออเนี่ยนะทรัพย์สินในบัญชีในคลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะในบ้านเมืองของเรามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเท่านี้นะอย่างเงี้ย คุนคลังเนี่ยเป็นผู้รายงานพระเจ้าจากักรพรรดิฉันใดขอถวายพระพรมหาบาพิษสติก็ฉันนั้นนั่นแล่ย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายคือนี้สติประธานสี่เนี่ยนะเป็นตัวให้นี้ทรัพย์ของท่านนะทรัพย์ของพวกเรานะสติประธานสใช่ไหมทรัพย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะนี่ถือว่าเราเป็นเป็นผู้ที่มีสัทธานในพระธรรมมันก็ถือว่า เราเป็นผู้มีส่วนในมรดกเหล่านั้นด้วยใช่ไมเออนี่ทรัพย์ของท่านคือสติประธานสี่เหล่านี้สมประธานสี่เหล่านี้อิทธิบาทสี่เหล่านี้อินสี่ห้าเหล่านี้พละห้า 5. เหล่านี้พ่ชงเจ็ดเหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสตินี้เป็นตัวให้ระลึกถึงโพธิปักขยธรรมนะว่าอู้นี่ทรัพย์ของท่านนะเราเระลึกบ้างหรือเปล่าเรามีทรัพย์อะไรบ้าง นะหรือว่านี้สมถะนะสตินี่ให้ระลึกว่าเออนี้สมถะนะนี้วิปัสนาเหล่านี้อริยสัจนี้วิชานี้วิมุตตินี้เป็นโล ก, กุตรธรรมมหาภิษติมีการระลึกเป็นลักษณะอย่างนี้แหลแล้วเราระลึกถึงทรัพย์สินอะไรบ้างเรามีทรัพย์อะไรบ้างมีอริยทรัพย์อะไรบ้างมั้ยนะระลึกถึงก็เรามีศรัทธานนะ เป็นให้ระลึกว่าเออเรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาระมีปัญญาอ่าหรือว่าระลึกว่าเออจะได้เวลาฟังธรรมและเป็นทรัพย์ของเราใช่ไหมนึกอย่างงี้รึเปล่าเออถึงเวลาจะต้องอ่านพระธรรมแล้วนะอ่ามีเวลาที่จะต้องพิจารณาพระธรรมแล้วนะอย่างเงี้ยได้ปารถลักษณะนั้นบ่อยๆตื่นเช้ามาปารถนาเออนี่ทรัพย์ของเราจะให้ทานนั้นนะอันนั้นแหละคือสติที่เป็นเหตุให้ระลึกอ่ขขาขณะที่เขาระลึกแล้วก็ เขาก็ควรจะทําอะไรต่อไปเขาก็จะทําสิ่งนั้นๆต่อไปอันนี้ที่ว่าสตินี่มีลักษณะระลึกระลึกแบบนี้คือระลึกถึงกูโซลธรรมโดยชอบเนี่ยนะเมื่อเราจะกล่าวถึงว่าสตินี่เป็นยังไงสติคือความระลึกได้ระลึกอะไรใช่ไหมก็ระลึกแบบนี้แหละชื่อว่าเป็นการระลึกเนี่ยนะก็คือระลึกให้รู้ว่าเออนี่ทรัพย์สินนะเนี่ยนะทรัพย์ของเราอ่ะอริยะทรัพย์ถ้าของเราก็เอาเจ็อข้อนะคุณผู้ชูนะหนึ่ง ทรัพย์คือศรัท ธ, ธาเออเรามีศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรายนะโอ้นี่พระพุทธคุณทำมาพระพุทธคุณเนี่ยอิติวิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นเนี่ยการที่เราปรารบนี้เป็นทรัพย์ของเรานะให้เรา เ, ออเรามีซั์คือการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือว่านึกถึงทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งออปรารบในลักษณะ น, นี้ขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าสติ อันนี้นยะที่หนึ่งนะว่ามีการระลึกก็ให้ระลึกแบบนี้นัยยะที่สองว่าสตินั้นมีการเข้าไปประคองไว้เป็นลักษณะคือเข้าไปประคองนะสติเนี่ยก็สตินั้นใคร่ครวนคติแห่งธรรมะทั้งหลายคําว่าใคร่ครวนคติแห่งธรรมะคืออะไรคือใครครวนถึงว่าที่ไปของธรรมะทั้งหลายว่าธรรมะทั้งหลายนั้นนะมีที่ไปอย่างไร ทีนี้แสดงว่าธรรมะที่มีที่ไปเนี่ยพูดถึงธรรมะฝ่ายไหนรู้ไหมธรรมะที่มีคติคือธรรมะฝ่ายเหตุกุศลและอกุศลนั่นแหละมีที่ไปใช่ไหมถ้าอพยากตาเนี่ยคือมาแล้วคือว่าไปถึงแล้วคือวิบากของเขาแต่ถ้ากุศลอกุศลเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายเหตุเพราะฉะนั้นอสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถึงผลของเหตุอันนั้นเนี่ยว่าที่ไปของธรรมะเหล่านั้น เพราะฉะนั้นสตินี้ไครครวนคติทั้งหลายแห่งธรรมะที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะไครวนเออเนี่ยนะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ให้ผลแบบนี้นี่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ผลแบบนี้สตินี่เป็นตัวตัวไค้ครวนหรือวันหรือประคองเสร็จแล้วพอไข้ครวนอย่างนี้ว่าไม่มีประโยชน์รู้ว่าไม่มีประโยชน์แล้วสติจะทำยังไงต่อไป สติก็ย่อมบันเทาธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะต้องรีบบันเทาต้องรีบคำว่าบันเทาก็รีบจัดการแก้ไขซะรู้ว่าธรรมะมีกายสุจริริเป็นต้นเหล่านี้เป็นประโยชน์ย่อมประคับประคองธรรมะที่เป็นประโยชน์ใช่ไ้ยรู้ว่าเออกายสุจริริวจีสุจริริมโนสุจริเนี่ยนะกุศลธรรมเป็นปายกาลสินภาวนา เป็นธรรมชาติที่ควรพอกพูนควรประคับประคองควรทำให้มีขึ้นสติจะเข้าไปประคองอันนั้นไว้แต่ถ้าหากว่ารู้ว่าเออเนี่ยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความคิดชั่วทางใจเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ไม่ไม่มีประโยชน์มันมีโทษสติก็จะเป็นตัวเข้าไปจัดการว่ารีบกำจัดออกไปเนี่ยนะสติก็เป็นตัวที่เข้าไปจัดการในลักษณะนี้อุปมาเหมือนกับปรินายกแก้วของ พระเจ้าจากักรพรรดิว่านะปริญายกแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิก็รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของพระเจ้าจากักรพรรดิเดียว น, น, นะปริญายกแก้วเนี่ยที่จริงบางทีก็ลูกชายของพระเจ้าจากักรพรรดนั่นแหละลูกชายคนโต อ, อะ่ะซึ่งมีความสามารถกําหนดจิตบริษัทได้กว้างขวางใครที่มีประโยชน์ต่ อ, อพระเจ้าจากักรพรรดิหรือไม่มีประโน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิก็จะจัดการรู้ว่านะ ปริ <c oughs> นายกแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยพอรู้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระเจ้าจากักรพรรดิย่อมนําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปย่อมน้อมเข้ามาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระนาเกษนเถระจึงถวายพระพรพระราชาว่ามหาบพิษปรินายกแก้ว <c oughs> <c oughs> ของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ <passiert> พระเจ้าจักรพรรดิว่า สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่พระราชาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นอุปการะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปการะดังนี้นะจากนั้นก็จะบรรเทาคือกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประคับประคองสิ่งที่เป็นประโยชน์ชันใดขอถวายพระพรมหาบพิษสติฉันนั้นเหมือนกัน แ, แลเมื่อเกิดขึ้นย่อมใไข้ครวนคติแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นประโยชน์ธรรมะเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ธรรมะเหล่านี้มีอุปการะธรรมะเหล่านี้ไม่มีอุปการะดังนั้นสตินี้จะเป็นตัวที่เข้าไปกประคับประคองลักษณะนั้นคือจัดการเลยว่างั้นเถอะอันนี้มีโทษนะรีบจัดการกาจัดออกไปอันนี้มีประโยชน์นะรีบเพิ่มพูนทาให้มากขึ้น นะพอรู้อย่างนี้แล้วจากนั้นก็จะบรรเทากาจัดธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์ประคับประคองธรรมะที่เป็นประโยชน์มหาบาพิษสติมีการประคับประคองเป็นลักษณะอย่างนี้แลเนี่ยนะคือคือลักษณะของสติเนี่ยนะพอได้นะนึกอุปมาได้ก็เบาแล้วนะอุปมาเหมือนกับหนึ่งขุนคลังเนาะสองปรินายกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปว่าที่จริงนะ พระราชาเนี่ยนะถ้าขาดสองคนนี้ไปเนี่ยบ้านเมืองล่มสลายแน่ใช่ไหมขุนคลังไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแหละถ้าปรินายกคือนายกไม่ดีบ้านเมืองก็ล่มจมพญาจิตรราชของเราก็เหมือนกัน น, นั่นแหละถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเป็นเครื่องให้ระลึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีทรัพย์คืออะไรบ้างเนี่ยนะรู้ไหมว่าทรัพย์ของเราคืออะไรใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดะทรัพย์ของเราคือศรัทธาเรามี กรรมสกตาสัตทานในพระตนะตรัยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทรัพย์ของเราอย่างหนึ่งหรืออุสล ก, กรรมบทสิบที่เราสมาทานประพฤติรักษาอันนี้ก็เป็นทรัพย์ของอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะใกล้ถึงวันอุโบสถก็เอออุโบสถนี้ก็เป็นทรัพย์ของอย่างหนึ่งหรือว่าศีลห้าของเราก็เป็นทรัพย์เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถึงทรัพย์สินที่ที่เรามีอยู่ ทางโลกเขาใช้คําว่าสตินี่คืออย่างไรยกตัวอย่างนะคนไปเที่ยวแล้วไม่เสียงานน่ะอันนั้นแหละเรียกว่าคนมีมีสติของเขาแบบโลกโลกอะ่ะชีวิตของเราเมื่อเกิดมาถ้ามีสติแบบธรรมะก็คื อ, อยังไงให้ระลึกถึงกุศลธรรมระลึกถึงสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตแล้วสา ม, มารถจัด ก, การได้อย่างถูกต้องอย่าลืมนะสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสแห่งหนึ่งนะ กระแสะอวิชชากระแสะตันหากระแสะทุจริตกระแสะกิเลสสตินี้เป็นเครื่องกัน้นกระแสะเหล่านั้นในนะกระแสะเหล่านั้นอันบุคคลจะปิดหรือจะละด้วยปัญญาดังนั้นสตินี้ถ้าเกิดขึ้นต้องกัน้นบาปกัน้นอกุศลได้แล้วก็อีกนัยหนึ่งเนี่ยนะสติมีการระลึกเป็นลักษณะมีการไม่หลงลืมเป็นรัศน์เนี่ยรสหรือกิจของเขาเนี่ยนะคือไม่หลงลืม มีการอารักขาคือรักษ า, าอารมณ์เป็นอาการปรากฏคือรักษาเนี่อรักษาอย่างไงคือรักษารู้ว่าเมื่อเห็นอารมณ์ อ, อันนี้แล้วเนี่ยนะนี้เป็นทรัพย์ของเราอ่ะใช่สามารถรู้ว่าเอการเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้เนี่ยนะสมมติอ่ะเกี่ยวข้องกับสีอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเป็นทรัพย์ของเราบ้างเมื่อเห็นสีปุ๊บเนี่ยสติจะให้ระลึกว่าเออนี้ทานนี้สีนี้ภาวนาซึ่งเป็น กุศละกุศลของเราหรืออนัคคาก็คือเห็นแล้วจิตเป็นอกุศลต้องรีบจัดการนะแล้วก็เพิ่มภูมกุศลและจิตให้เกิดขึ้นหรือมีการมุ่งต่ออารมณ์เป็นเหตุใกล้สติเนี่ยมุ่งต่ออารมณ์เป็นเหตุใกล้หรือมีการจําได้อันมั่นคงเป็นเหตุใกล้นะนะมีสัญญาอันมั่นคงหรือจําได้อย่างมั่นคงเป็นเหตุใกล้ ที่เคยได้ยินนะสติคือระลึกถึงสิ่งที่เคยทำํำคํำที่เคยพูดแม้นานได้หรือที่เราเคยฟังว่าพระนนนี้เป็นเอตทัาฆะในด้านการมีสติเพราะพระนนนี้เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากาก็คือท่านสามารถทรงจำไว้ได้นะสามารถที่จะระลึกถึงคําสอนเหล่านั้ น, น, นได้ยังงั้นเราเรียกว่าคนมีสติเพรา ะ, ะชีวิตของเราเนี่ยในขณะ ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะก็พยายามนึกถึงกุศลธรรมที่จะพึงมีขึ้นในในตัวเราอันนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งที่เระลึกถึงกุศลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่กําลังทํานี้มีโทษหรือไม่มีโทษสตินี้เป็นตัวจัดการหรือถ้าหากว่าเหตุให้มีสติเหมือนกับที่พระ อ, องค์ทรงสอนทราหุนใช่ไหมให้ตรวจกายกรรมที่เคยทํามาแล้วเห็นไหมว่ามีโทษหรือไม่มีโทษเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหม กายกรรมที่จะทําต่อไปกายกรรมที่กําลังทําอยู่ว่ามีโทษหรือไม่มีโทษเบียด er ai, เบียนตนไหมเบียด er ai, เบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมแล้วก็พิจารณาถึงวจีกรรมที่ผ่านไปแล้วที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยนะคำพูดที่จะพูดต่อไปหรือที่กําลังพูดอยู่นี้ก็มีการตรวจทานคําพูดทั้งหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งมนโนกรรมที่เคยคิดที่จะคิดต่อไปที่กําลังคิดอยู่ขณะนี้ นั่นแหละสตินี่ก็จะทำหน้าที่ใคร่ครวนต่อไปถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์สติก็จะจัดการแลวควรจะปฏิบัติกับธรรมะเหล่านั้นอย่างไรถ้าล่วงกายกรรมประจีกรรมที่มีโทษก็มีการบอกคืนใช่ไหมถ้าเป็นพระถ้าเป็นอาบัติเป็นต้นก็ถึงกับต้องแสดงคืนเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลทางใจอ่ะไปเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือไปนึกคิดแล้วก็อกุศลแลจิตเกิดขึ้นทำยังไง อธิษฐานเนีว่าจะไม่คิดแบบนั้นอีกต่อไปเนี่ยนะสตินี้ก็เป็นธรรมชาติที่ให้ระลึกในในลักษณะนั้นก็หรือว่าสตินั้นมีกายคตาสติหรือว่าสติประฐานเป็นต้นเป็นประฐานเนี่ยนะมีกายคตาเป็นเป็นเหตุใกล้เหมือนกันนะกายคตาคืออะไรบ้างเนี่ยนะกายคตาก็คือ ถ้าสติประฐานสูตรมีสิบี่บนะัพพะเด้เรียกกายคตาทั้งหมดเลยนะสิบี่บัพพะเนี่ยนะตั้งแต่หนึ่งอนาปานสติสองสัมปชัญญะบัพพะเอ้ยอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลมณสิการบัพพะาธาตุมณสิการบัพพะแล้วก็กล่าวถึงป่าช้าเก้าประการเนะอ่าพวกนี้เป็นธรรมตระกูลกายคตาสติ ธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเขาบอกว่าที่ใดถ้ากล่าวกายยคตาสตินะให้รู้ว่าที่นั่นก็กล่าวเวทนาสติด้วยเห็นไหมเพราะเพราะกายนี่เป็นเหตุใกล้แห่งเวทนาเป็นต้นใช่ไหม เ, เมื่อกล่าวเวทนาก็เท่ากับกล่าวจิตกล่าวธรรมะด้วยเพราะสติประธานสีนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเห็นไหนะมธรรมะสติประฐานสีเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวอารมณ์นั่นเอง อุปาทานขันท่ า, านั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติใช่หเพราะว่ากายเป็นชื่อของรูปขันเวทนาเป็นชื Danielle ่อของเวทนาขันวิญญาณเป็นชื่อของจิตเป็นชื่อของวิญญาณขันสัญญากับสังขารเป็นชื่อของธรรมะนะธรรมะคือสังขารขันกับสัญญาขันชื่อว่าธรรมะเพราะฉะนั้นอุปาทานขันทานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแต่ว่า เหตุใกล้ในลักษณะว่าสติที่เข้าไปพิจารณาเป็นต้นนั่นเองเข้าไปพิจารณาหรือเข้าไปประคองเข้าไประลึกถึงธรรมชาติเหล่านั้นตามตามความเป็นจริงถามว่าจริงแค่ไหนใช่ไหมถ้าระลึกถึงความจริงของสีเนี่ยนะสีเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมเราเคยได้ยินว่าสติประธานมีกี่อย่างน ะ, ะสติประธานมีสามอย่าง หตัวสติ2 อ, อารมณ์ของสติสามาหลักการตั้งสติที่พระศ า, าสดาทรงประพฤติเนี่ยนะในสาวก3ประการาข้อ1ก็คือตัวสติเนี่ยนะตัวกุศลธรรมที่กาลังพูดถึงนั่นแหละคือตัวสติว่าสตินั้นก็มีอาหารมีปัจจัยใช่ไหมเพราะว่าสตินี้อาหารของสติคืออะไรคือสุจิริสาเป็นต้นนั่นแหละเป็นอาหารของสติปฐานเห็นไหม แต่ถ้าฐานของสติคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็มีอาหารมีปัจจัยเหมือนกันเห็นไะหถ้าเรานึกถึงวัตถุวิญ ญ, ญาณอารมณ์3ตัวได้นะนะคือสติเนี่ยเกิดร่วมกับวิญญาณใช่ไหมตัวสตินั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับวิญญาณอารมณ์ของสติก็คือตัวอารมณ์นั่นแหละแล้วก็กล่าวว่าสติก็เกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะเพราะวิญญาณเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยสติที่เกิดร่วมกับวิญญาณเพราะฉะนั้นก็ เกิดด้วยปัจจัยเหมือนกันอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยเหมือนกันเนี่ยนะก็บรรดิตเพึงเห็นสติเหมือนเสาเขื่อนเหมือนกันตั้งมั่นมั่นคงขนาดนั้นน่ะ น, นะเพราะว่าสตินี้โดยขัน อ, อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ดสงเคราะห์โดยขันสามได้ได้อะไร ส, ะสตินั้นเป็นสมาธิขัน นนะอยู่ในกองแห่งสมาธิมรั้นก็าตั้งมั่นเหมือนกับเสาเขื่อนเพราะว่าตั้งมั่นอยู่มั่นคงในอารมณ์นะใครจเจริญผู้ทานุสติเป็นต้นก็จะตั้งมั่นอยู่ในผู้ทานุสตินั่นแหละหรือเหมือนนายทวารประตูผู้รักษาประตูเพราะรักษาทวารทั้งหลายมีจักขุทวารเป็นต้น น, น, นะรักษาทวารตารักษาอย่างไรรักษาไม่ให้อาสวะมันเกิดใช่มถ้าตามสูตรนี้ ถ้าทั่วไปเราเคยได้ยินก็คือรักษาแล้วมองเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอะได้ยินยังไงใจไม่เป็นบาปเนี่ยนะยใจเข้าได้รับกลิ่นแล้วใจไม่เป็นบาปอะทานอาหารด้วยใจไม่เป็นบาปแล้วก็นึกคิดทั้งหลายแหละใจไม่เป็นบาปพันสติตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจในชั้นต้นเลยเมื่อเรารู้จักหรือทำความเข้าใจของคาว่าสติดีอย่างนี้แล้วก็จะได้ อธิบายถึงการสังวรทางตาต่อไปออว่าอย่างไรชื่อว่าการสังวรทางตานนะออตามนยะแห่งอัตกฐถาสภาสวะสังวรสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงว่าออถามว่า ก็ขึ้นเชื่อว่าอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละไม่ได้ด้วยกิจสองเหล่านี้คือด้วยทัศนะและด้วยภาวนาไม่มีไม่ใช่หรือเนี่ยนะคือที่จริงเราเคยได้ยินเออที่จริงอะ่ะอาสวะหรือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะละด้วยธรรมะสองอย่างก็เรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งละด้วยโสดาปฏิมร์เรียกว่าละด้วยทัศนะละด้วยมร์ที่เหลือคือสกทาคามีมร์อนาคามีมร์และอรหัตมร์เชื่อว่าภาวนา นะชื่อว่าภาวนาอาสวะทุกอย่างมันก็ละด้วยภาวนาทั้งสองอย่างาด้วยธรรมะสองอย่างนี้ไม่ใช่หรือเอาเมื่อเป็นเช่นนั้นพรองเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละด้วยกิจมีสังวรเป็นต้นไว้นแผนกหนึ่งเล่านีนะที่จริงก็น่าจะแสดงแค่สองอย่างก็พอทําไมต้องแสดงต่างเยอะในคำถามอ่ะนะบางท่านบอกว้าถามมาไงยังฟังไม่ค่ายจะออกเลยนะอา้า เข้าใจะนะเข้าใจคำถามนะเข้าใจคำถามก็คําตอบไม่ยากนะถามว่าที่จริงอาสวะก็ละได้ด้วยธรรมะสองอย่างก็พอทําไมต้องแสดงอีกตั้งเยอะอีกตั้ง5้าข้อเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมที่จริงอ่ะข้อแรกคืออาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นกับข้อสุดท้ายอ่ะอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาก็เพียงพอแล้วทําไมต้องมาแสดงโอ้โหอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรอาสวะที่ละได้ด้วยการซ่องเสพอาสวะที่ละได้ด้วยความอดทนเป็นต้น ท่านก็ตอบว่าเพราะอาสวะทั้งหลายที่พระโยคาวจรข่มไว้ได้ในส่วนเบื้องต้นด้วยกิจมีการสังวรเป็นต้น น, นะจริงอยู่หวัวงานเถอะทีละด้วยทัศนละด้วยภาวนาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วโสดาปฏิมักจะเกิดได้เลยใช่ไมนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วโสดาปฏิมักเกิดขึ้นหูแทงตลอดอริยสัตว์ปิง้งไปเลยนึกคำว่าปิ้งเหมือนเปิดไฟวะ เรารอปิ้งอย่างนั้นไม่มีทางหรอกนอกจากโลผ้าปิ้งเลย เ, เพราะฉะนั้นที่การเจริญสังวรเนี่ยนะสังวรห้าที่เหลือเนี่ยนะย่อมถึงการเพิกถอนด้วยมักีเนี่ยนะถ้าหากว่ามีสังวรที่ที่สังวรทางตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะห้าอย่างแล้วเนี่ยนะ อารยมรรคทั้ง4อย่างก็จะเกิดขึ้นแล้วสา ม, มารถละอาสวะไดะ้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการละอาสวะเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเหล่านั้นด้วยการข่มไว้ด้วยอาการหอย่างเนี่ยนะด้วยอาการห้าอย่างนะั้นมีความสําคัญมากและก็พอัก5อย่างเนี่ยนะตั้งแต่อาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรจนถึงด้วยความอดทนเป็นต้นได้เนี่ยนะก็สา ม, มารถที่จะละด้วยทัศนะคือด้วยการเห็น และละด้วยภาวนาได้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงการละอาสวะเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเหล่านั้นด้วยการข่มไว้ด้วยอาการห้าอย่างจึงตรัสอย่างนี้เนี่ยน ะ, สะแสดง5้าอย่างก่อนแล้วอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นทีหลัง ฉะนั้นโสดาปฏิมักข้อแรกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนี้ใดโซดาปฏิมักเนี่หมายถึงข้อไหนนะอาสะวะที่ละได้ด้วยการเห็นเนี่ยเรียกว่าหมายถึงโสดาปฏิมักและมักสามซึ่งพระองค์จัดตรัสโดยชื่อว่าภาวนาในบัทนี้หมายถึงต่อไปที่จะกล่าวต่อไปอะ่ะในอาสะวะที่ละได้ด้วยการภาวนาข้อสุดท้ายเนี่ยนะพ้นกระถาว่าด้วยอาสะวะ พึงละเพราะสังวรเป็นต้นนี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุพภาคปฏิปทาของโสดาปฏิมักบุพภาคเนี่ยแปลว่าโซพาคะเนี่ยแปลว่าส่วนบุพภาคแล้วเบื้องต้นนะนะส่วนเบื้องต้นนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของการบรรลุเป็นพระโสดาบานันหรือว่าแทงตลอดโสดาปฏิมักอันนับตั้งแต่อินทรีย์สังวรเป็นต้นไปเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติชัน้นต้นต้นต่อไป แล้วก็เป็นบุพภาคของมรรคทั้งสามเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการสังวรเป็นต้นเนี่ยนะอินทรีสังวรเ น, นี่ยมีความสำคัญจริงๆเลยนะเหมือนกับอันนาาีจะฟังพระสูตรสักสูตร ส, สั้นๆนิดหนึ่งว่าอินทรีสังวร น, นั้นมีความสำคัญมากในอินทริยะสังวรสูตรนะชะ ก, กานิบาตข้อสามรยี่สิบเอ็ด ที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีนะคือไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะศีลของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดเนี่ยนะถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่นะอย่าคิดว่าศีลจะมีใช่ไหมอา้าวถ้าชาวนะเป็นสมมติมองเห็นแล้วโลภะเกิดเนี่ยนะศีลเหลือไหมเพราะว่าศีลนี่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นกุศลใช่ไหมอา้าวโลภะเกิดมีศีลข้อไหนอยู่บ้างศีลไม่เหลือแล้วนะโทสะเกิดก็ไม่มีศีลเหลือแล้วตอนนั้นอะโมหะเกิดก็ไม่มีศีลเหลือในขณะนั้นเพราะฉะนั้นศีลของภิกษุผู้มีอินทรสังวรวิบัตย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดแล้วนะไม่มีอุปนิสัยแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัด ถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะแย่และสมาธินี่อย่าวังนักเลยเพราะว่าศีลเนี่ยเพื่ออะไรศีลเพื่อสังวรสังวรเพื่ออวิปิสสนาวิปัสปสนเพื่อปราโมทปราโมทเพื่อปีติปีติเพื่อปัสสัทธิปสธัสสัทธิเพื่อสุกสุขเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นศีลไม่มีแล้วสัมมาสมาธิก็หมดหวังหมดอุปนิสัยวังงั้นเถอะเมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยถาภูตายาณทัศนะของพิกษุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดเห็นนะ ะ, ะยถาภูตายานทัศนะก็คือมีอยู่สองนัยยะด้วยกันเมเนเพิ่งดูในดีกาพระวินัยกล่าวถึงว่าคำว่ายถาภูตายานทัศนะก็คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือการเจริญ วิปัสนาหมายถึงการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่ายะาภูตยานัทสนะหรืออีกนัยหนึ่งเนี่ยนะคาว่ายะถาภูตยานัทสนะนั้นเป็นชื่อของยานะที่หนึ่งถึงยานะที่สี่นะหรือปริญญา3ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปะหานะปริญญาในชั้นอ่อนคือปหานะปริญญานี่มีอยู่สองอย่างอย่างมีกาลังกับอย่างอ่อน อุทยพ ย, ายาัญชนะนี่อุทยพยญชนเนี่ยเป็นปหานะปริญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นอุทยพยัญชนเนี่ยแบ่งแบบเขาเรียกว่าตรุณะดรุณะดรุณีแรกแย้มแปลว่าอะไรไยังอ่อนอยู่นั่นแนหะดรุณะวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาที่ยังมีกําลังอ่อนหรือว่ายัางเริ่มยังแรกแย้มอยู่ว่างั้นแต่ส่วนพลาวะวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่มีกําลังมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่คําว่ายถาภูตยานทัศนานั้นก็คือเป็นชื่อของอ สังขารปริเฉทยานจนถึงอุทยพยาญาณเบื้องต้นนั่นเองส่วนเขาบอกว่าเมื่อยะถาภูตยา น, นัศนะไม่มีนิพธาวิราคะของพิสุผู้มียะถาภูตยา น, นัศนะวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดอ่านิพธาวิราคะนั้นนิพทาเป็นชื่อของชื่อของอะไรเนะีภาะวะวิปัสนา นะนะวิปัสนาที่มีกําลังแรงว่างนั้นแท้อ่านิพิ t าก็คือประเภทอาทินิพิ t h ยานเป็นต้นส่วนวิราคะเป็นชื่อของอริยมรรคนะถ้ายถาภูตยานทัศนาา์ไม่มีนิพิ t าวิราคะก็ไม่มีเมื่อนิพิธาวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะคือปัจเจกขณะยานของพิสูผู้มีนิพิ t าวิราคะวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบแม้สเก็ตของต้นไม้นั้นก็ deserves, ไม่ถึงเอก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้กระพีก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบแล้วนะ พอมีกิ่งมีใบก็ถูกตัดมีกิ่งมีใบก็ถูกตัดหมดอย่างเงี้เดี๋ยวก็สเก็ตเป็นต้นเนี่ยนะเปลือกก็จะกระเทาะกระเทาะก็จะวิบัติในที่สุดก็เฉาตายเหมือนกันดูกราภิสูตรทั้งหลายเมื <Spe ed> ่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรบริบูรณ์สมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เนี่ย น, นะ เมื Then, me. ่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิของพิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตะญาณทัศน์ของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อยะถาภูตะญาณทัศน์มีอยู่นิพิทาวิราคะของพิกษุผู้มียะถาภูตญาณทัศน์สมบูรณ์ ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อ น, นิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะของพิสุผู้มีนิพิทาวิราคะสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้สเก็ตของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ถึงความบริบูรณ์แม้กระพี ก็ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอันนั้นนี่ก็สูตรที่แปดในฉักาการนิบาศ ท, ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในความสําคัญของอินทรีย์สังวรว่าอินทรีย์สังวรนั้นมีความสําคัญมากถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีศีลก็ไม่มีเหนะ็นไหมศีลไม่มีแล้วจะเอาอะไรเนาะโอ้โหอย่างอื่นนี่วิบัติไปหมดเลย <c oughs> ต่อไปนะว่าคำว่าพิจารณาโดยแยบคายนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของอะไรคำว่าพิจารณาเป็นชื่อของอะไรตัวอะไรเป็นตัวพิจารณา ป, ญญ า, าปัญญานะปัญญาหรือญาณ น, นั่นแหละเป็นตัวพิจารณาเพราะฉะนั้นพิจารณาโดยแยบคลายคือพิจารณาอย่างไรก็คือพิจารณาเห็นโทษของอสังวร pues. คือการไม่สํารวมว่าเมื่อไม่สัารวมนั้นมีโทษอย่างไร ความจริงปฏิสังขาโยนิโสนะปฏิสังขาโยนะก็คือพิจารณาโดยแยบคายนั่นแหละความว่าคือพิจารณาคือทราบได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทางก็ในที่นี้การพิจารณาโทษในอสังวรเพึงทราบว่าการพิจารณาโดยแยบคายนนะาเนี่ยนะอสังวรเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะอสังวรเคยได้ยินไนหะ คุณทะเลนีจําได้ไหมอสังวรมีเท่าไหร่มี8ปดสังวรเ น, นี่ยแปดนะอะสังวร8ดคืออย่างไรอสังวรแปด้วหนึ่งไม่สังวรทางตาสองไม่สังวรทางหูสามจมูกสี่ลิ้นห้ากายไม่สังวรทางกายกายกรรมไม่สังวรทาง วาจาวาจีกรรมไม่สังวรทางใจมโนกรรมเป็นสังวรแปเนี่ยนะเป็นสังวร8เพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาโทษของอาสังวรเนี่ยพิจารณาอย่างไรก็การพิจารณาโทษของอาสังวร น, นี้นั้นเพิ่งทราบโดยนัยะแห่งอาทิตตะปริยัตยสูตรเป็นต้นว่าพิษสูทั้งหลายจักขุนศีหมายถึงจักขู่ราษาทรูปเนี่ยนะ ที่พิกษุทะลวงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันร้อนชนรุ่งโรดชดช่วงยังประเสริฐกว่าเนี<ม>่ยนะสมมติว่าเอาเหล็กร้อนๆเนี่ยนะไปไปไปเผาไฟให้มันร้อนที่สุดแล้วมาจี้ตาให้มันบอดเลยก็เหมือนกับบุหรี่ใช่ไมเอาบุหรี่ไปจี้ให้มันแตกไปเลยเหมนนประเสริฐกว่าส่วนการถือเอาโดยนิมิต โดยอนุพยัญชนะในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลยเนี่ยนะเห็นแล้วถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะไม่ประเสริฐเลยเพราะอะไรเพราะอะไรพระองค์จึงตรัสขนาดนั้นเพราะว่าถ้าจิตเป็นอกุศลและจุติตรงนั้นนะคติสองนรกกับเดรชานนั้นตาบอดกลับไปนรกเอาไหนเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเออตาบอดเนี่ยดีกว่าเอ้คือเรียกว่า เอาไปจิ้มนะไม่ได้แปลว่าไปทำตาให้บอดถ้าจะได้ไม่มีโลภะไม่ไมไงั้นนะคนตาบอดบางทีมอยากเห็นจนหนักกระเก่าอีกแล้วโลภะเกิดเท่าเดิมนั่นแหละเพราะนั้นทำยังไงอ่ะพระองค์เนี้ยอุปมาให้เห็นโทษของชาวนะที่เกิดขึ้นเมื่ออากุศลจิตเกิดขึ้นยามที่มองเห็นเพราะนั้นบทว่าจักขุนริยะสังวระสังวุโตวิวหรตินี้มีอธิบายว่าอินรีคือจักขุเชื่อว่าจักขุญซี ที่ชื่อว่าสังวรเพราะกั้นไว้อธิบายว่าเพราะปิดคือกั้นไว้ได้คําว่าสังวรนี้เป็นชื่อของสติการสํารวมในอินทรีย์ชื่อว่าจักสุกก็ชื่อว่าการสํารวมจกักขุนศีเนี่ยนะก็คือเป็นสสัมภาระกถาเป็นคําพูดที่ว่าจริงๆแล้วสารวมทํำยังไงตาใช่ไหมไปสํารวมทําอะไรตาแต่หมายถึงสํารวม จิตที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นนะแต่ท่านใช้คำว่าจากักรสุเหมือนกับว่าเหมือนกับยิงด้วยปืนอ่ะปืนเป็นตัวยิงหรือเปล่าพวกกันลูกมันนะเป็นตัวยิงอ่ะใช่มหมยิงด้วยธนูเนี่ยตัวด้ามธนูใช่หมไปยิงอ่ะแต่ว่าลูกธนูนะมันเป็นตัวยิงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าจักขุนซีเนี่ยนะสารวมตาเนี่ยไม่ได้แปลว่า สํารวมตาอันนี้หมายถึงชาวนะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาเพราะว่าตาเนี่ยเป็นใหญ่มากต่อการเกิดขึ้นของวิถีจิตทั้งหมดเลยนะสมมุติถ้าอย่างวิถีจิตที่เขียนในภาพนั่นแนหะถ้าไม่มีตาสัอย่างนะวิถีเหล่านั้นไม่เกิดเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีตาเนี่ยเพราะว่าวิถีจิตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะทางตาก็อาศัยตากับสีแสงสว่างมีมณสิการแต่ว่าตาเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในการ เห็นใช่ไหมเพราะเปลี่ยนแสงก็ยังยังเห็นได้เนี่ยนะเปลี่ยนสีก็ยังเห็นได้เนี่ยนะเปลี่ยนมนัสสิการก็ยังเห็นได้นะีมนัสสิกานคนละอย่างก็จะไปเห็นอีกคนละเรื่องไปแต่ตานี่มีความสําคัญมากถ้าไม่มีตาตัวอย่างการเห็นก็เกิดไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยนับว่าเป็นใหญ่มากในการในการเห็นทีนี้เมื่อเมื่อเห็นแล้วทํำยังไงที่ใจจะไม่เป็นบาปต่อไปนั่นแหละ คำว่าการสํารวมหรือไม่สํารวมในจักขุณสีนะคือตัวตาเนี่ยไม่มีแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นสติหรือความหลงลืมสติย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักรุประสาทะนะความสายของตาเนี่ยสติไม่ได้เกิดที่นั่นใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งในการไดรูปารมมาสู่คลองจักสุกเนี่ยนะสมมติว่ามีภาพทางตาเกิดขึ้นนะ ในการนั้นพวังขจิตเกิดขึ้นสองครั้งแล้วดับไปพวังไหนพวังขจรณะพวังคู่ประเชทะใช่หมห้สองดวงนั้นแหะมโนาธาตุฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้กิจหรือทำกิจแห่งอาวัชนะสำเร็จแล้วก็ดับไปคือพอผวังขจรณะดับภวังคู่ประเชทะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสร็จแล้วมโนทวาราวชนะเรียกว่า ตัวเขาเนี่ยชื่อว่ามโนาธาตุฝ่ายกิริยาเนี่ยนะเป็นเป็นอาเหตุตุกกะกิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อที่จะอวมนสิการเนี่ยนะเรียกว่ามนสิกานเรีว่วิถีปฏิปาถกะมนสิการมนสิการเพื่อที่จะให้จิตให้วิถีจิตเนี่ยเกิดขึ้นทากิจอาวัชนะแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นจากคุูวิญญาณก็เกิดขึ้นทำทัศนกิจแล้วก็ดับไปจิตเห็นทำหน้าที่ รับภาพไปต่อแต่นั้นมนโนธาตุฝ่ายวิบากก็เกิดขึ้นทำรรกิจสัมปติชนะกิจแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นมนโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหตุตุกขวิบากเกิดขึ้นให้สันติรณกิจแล้วก็ดับไปใช่ไหมจากคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบเนื่องการเป็นอนันตรปัจจัยต่อจากนั้นมนโนวิญญาณธาตุ อันเป็นอเหตุตุกะฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้โวทัพนกิจสําเร็จแล้วก็ดับไปมโนทวาราวชนะนั่นเองทําโวทัพนกิจส่วนลําดับนั้นชาวนาจิตย่อมแล่นไปเนี่ยนะวิถีจิตเนี่ยก็จะไล่ไปอย่างนี้อันหนึ่งในบทว่าจากคุณดิยะสังวระสังวุโตวิหรตินั้นการสํารวมหรือการไม่สํารวมย่อมไม่มีในสมัยแห่งผวังคจิต พวังขาจารณะพวังคูประเฉทะไม่ได้สังวรอะไรหรอกนะทั้งในสมัยแห่งอาวัชนาจิตนะไม่ไม่ได้สังวรในปัญจทาาวาราวชนะไม่ได้สังวรในจัจกรวิญญาณไม่ได้สังวรในสัมปติชนะไม่ได้สังวรในสันติรณะไม่ได้สังวรในโวทพันะใช่ไหมแต่ว่าในสมัยใด การสํารวมหรือการไม่สํารวมย่อมไม่มีเช่นเดียวกันเนี่ยนะคือทั้งหมดเลยนะตั้งแต่พวังขจรณะมาจนถึงวัวทพะเนี่ยนะในขณะนั้นไม่ได้ชื่อว่ามีการสังวรอะไรหรอกแต่ในขณะแห่งชาวนะจิตถ้าโทษเครื่องทุศีลความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่รู้ความไม่อดทนหรือความเกียดคร้านเกิดขึ้นไซนี้ชื่อว่าเป็นการไม่สังวร ในชวนาเจ็ดวงนั้นมีความสําคัญมากที่จริงแล้วการทุศีลเนี่ยนะทุศีลเนี่ยทางกายทางวาจาไม่ได้เกิดทางปัญจทาาวารวิถีนะปัญจทาาวารวิถีไม่เชื่อว่าเป็นการทุศีลอะไรแต่ไม่ได้มีศีลนะแต่ว่าความทุศีลเนี่ยไม่ได้เกิดในปัญจทาาวารวิถีเนี่ยนะเพราะว่าในชวนาจิต ท, ทางปัญจทวารวิถีไม่เป็นกายกรรมไม่เป็น วจีกรรมศีลนั้นเป็นกายกรรมและวจีกรรมแต่ว่าชาวนะนั้นชื่อว่าหลงลืมสติใช่หมความไม่รู้และก็ไม่มีขันตินะแต่ก็เป็นอกุศล น, น, นะชื่อว่าหลงลืมด้วยถ้าจิตเป็นอกุศลหรือไม่รู้ไม่อดทนหรือความเกลียดคร้านเกิดขึ้นไซนะ่ะอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีการสังวรแต่ว่า ตัวชาวนทางมโนทวารให้ล่วงมาทางกายที่เป็นอากุศลเรียกว่ากายยทุจริตไอชาวนะทางมโนทวารซึ่งเกิดขึ้นทำให้ล่วงวาจาเป็นอากุศลนี่ชื่อว่าวจีทุจริตแต่คิดนึกเฉยๆเนี่ยน ะ, ะจกักขุเออไม่ใช่วิถีจิตเนี่ยนะชาวนที่เกิดขึ้นในปัญจทวารวิถี เป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตเอาไหมนะชาวนาจิตทางจักขุทวา a โสตทวา a n คานาท a w a ชิวหาทวา a กายะท a w a วิถีเป็นทุจริตไหนในทุจริตสามเมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่กายะทุจริตไม่ใช่วจีทุจริตใช่ไหมสรุปแล้วเป็นอะไรเป็นมโนทุจริตนี่นะเมื่อเห็นและจิตเป็นบาปนี่ชื่อว่ามโนทุจริตนะสุจริตสามไม่ได้ใช่ไหมสติปัฏฐานไม่เกิดเลยนั่นนะ ต่อไปว่าความไม่สัมรวมนั้นแม้เป็นอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าความไม่สัมรวมจากขุนศีเนี่ยนะถ้าชาวนะเป็นอากุศลเนี่ยนะชื่อว่าไม่สัมรวมจากขุนศีคิดต่อไปนะที่ที่เป็นเป็นธรรมะที่เอาหน้าไปตรึกต่อไปก็คื อ, อวิธีจิตเกิดขึ้นนะทบทวนนะเน่งคืออะไร ภวังขาจารณนะภวังคู่ประเฉทะเขียนอย่างงี้ป่ะตัวย่ อ, อเขาเขียนอย่างไงททหารนะนะรวังคู่ประเฉทะแล้วก็จักขูวิญญาณนะเไม่ใช่นะปัญจทวาราวชนะเสร็จแล้วต่อไปจักขูวิญญาณสามปฏิชนะสันติรณะ แล้วก็โวทัพณะเอาสอเป็นสโอที่เหลือนะจิตเจดดวงนี้เป็นเรียกว่าชาวนะชาวนะนี้จิตที่มาทำชาวนะนะมีอะไรบ้างอากุศลจิต12มหากุศลจิต8ถ้าของพวกเรานะของพวกเรานี้มีมีเท่านี้แหละน่นแหละชวนะอ่าก็เท่ากับ แปดสองสองในวิถีจิตทางปัญจทาาวาร น, นะทานไม่ได้ทานนะักกุศลไม่ได้เกิดที่ที่ชวนะทางปัญจทาาวาร น, นะสีและกุศลเนี่ยนะชั้นสูงเลยก็ไม่ได้เกิดที่ปัญจทวาร น, นะชาวนะทางปัญจทาาวาร ภาวนากุศลก็ไม่ได้เกิดที่ชาวนาทางปัญจทวารโลภะแปดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เท่าไหร่นะสิบสามบวกสี่บวกสามเท่าไหร่สามารถเกิดได้ทั้งหมดนะ อาโลผ้าโหลผ้านะเท่าไรบวกทีหน้าอีกสองด้วยนะไม่ถึงมั้งถ้ากลับย2ิบสองใช่ไหมนะโทสะก็มีเจตสิกประกอบคือนะเวนปีตินะเดี๋ยวไปไล่เอากันแล้วกันไล่ช้าไป รู้แล้ในชาวนะเนี่ยนะถ้าเป็นโลภะโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าไม่สังวรเนี่ยนะอสังวรเกิดขึ้นถ้าอาสังวร อ, อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นี้ไหมไม่อยู่นะเพราะว่าธรรมดาของวิถีจิตแล้วจะต่อด้วยภวังขึ้นทันทีเลยอ่พอภวังบับโนทวารวิถีจะเกิดภวังเนี่ยนะหลายดวง ถ้าคนหัวเล่นก็ภวังช้าวังน้อยหน่อยถ้าคนหัวช้าๆก็ภวังมากหน่อย <c oughs> ที่จริงวิถีจิตเนี่ยไม่มีใครเกิด <c oughs> เกิดเร็วกว่ากันช้ากว่ากันนะทุกคนเนี่ยมีจิตเกิดดับเร็วเท่ากันแต่ใครคิดอะไรออกช้าก็เนื่องจากว่าภวังคจิตไม่ค่อยมีคุณภาพหนึ่งนะสองวังคจิตเกิดมากอันนี้พวกนี้เลยหัวช้าที่จริงแล้วโดยรวังและโดยความคิดเนี่ยเกิดดับเร็วเท่ากัน ทีนี้มโนทวาราวชนะจิตเกิดก็จะมีชวนเกิดต่อไปอีกนะเจ็ดดวงเหมือนกันชาวนะอันนี้เนี่ยรับอารมณ์ต่อจากรับอารมณ์ต่อจากทางตาซึ่งอันนี้แสดงว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์เพราะว่าทางตานะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ปั๊บวิถีจิตนี้หมดไปมโนทวารวิถีก็จะรับอารมณ์นี้ต่อมาอีก เสร็จแล้ววิถีจิตใหม่อีกนะมโนทวารวิถีเสร็จก็มโนทวารวิถีจะเกิดอีกมโนทวารวิถีอันนี้เขาเรียกว่าอาติตค า, านาวิถีรับอารมณ์ต่อจากปัญจทวารมีอดีตอารมณ์เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาาัตคานาวิถีเสร็จแล้วก็จะมีวิถีใหม่ขึ้นมาอีกเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมีมีชื่อและบัญญัติ นะมีชื่อนะเรียกว่านายกนายขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่อไปก็จะอยู่ที่วิถีหลังๆ ล, งล้ถ้าหากว่าชาวนาะทางปัญจะเป็นอากุศลนะพลอยให้มโนทวานเป็นอกุศลไปด้วยพอมโนทวานเป็นอากุศ ล, ม, ศลมันก็ไปเห็นใหม่มโนปัญจทวานก็เป็นอากุศลสรุปและอากุศลสลับกันอยู่นั่นแหละก็เป็นไปในลักษณะนี้ดังั้นเราเวลาศึกษาเราก็พยายามสังวร ในการเรียนเรื่องเรื่องวิถีจิตเหล่านี้เนี่ยนะวิธีเรียนง่ายๆก็คือพยายามจําสูตรอยู่ง่ายๆอยู่2องสามคานั้นเองใช่ไหมคืออะไรบ้างนะสระหนึ่งก็คือวัตถุ2อารมณ์วัตถุกับอารมณ์ทําให้เกิดวิญญาณนะนะใส่แล้วในวิญญาณนี้ก็เอากระแสวิถีเนี่ยใส่ลงมาเดาว่าจิตก็จะเกิดสืบเนื่องไปในลักษณะนี้ แล้วก็ถ้าเรียนเรื่องจิตดีแล้วก็ควรที่จะเรียนเรื่องเจตสิกประกอบกับจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยนะแล้วก็มาวิจัยเรื่องนี้ให้ดีอพอเข้าใจเรื่องวิถีอย่างดีเนี่ยนะเอาความรู้เรื่องสติปัฏฐานใส่ลงไปก็ได้เนี่ยนะเอาสติปัฏฐานเนี่ยใส่ลงไปหรือเอาเรื่องของขันธ์ธาตุอเยตนะมาประมวลพยายามมาตรึกเรื่องนี้ให้มากๆนะ ถ้าเราตรึกเรื่องนี้อ่อนนะสติปัฏฐานเราจะเข้าใจอ่อนด้วยเ พ, พราะเพราะไรเพราะว่าอย่างจิตตานุปัสสนานะถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นไปของวิถีจิตตานุปัสสนาเราจะไม่เข้าใจเวทนานุปัสสนาก็ไม่เข้าใจอีกเนี่ยนะยังในจิตดวงใดบ้างที่มีโลมีสุขเวทนาดวงใดเป็นทุกขเวทนาดวงใดเป็นอุเบกขาเวทนาเพราวันเราก็จะพูดแ ค, ค่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็รู้ไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปถ้ารู้แบบนั้นเนี่ย ไม่ได้พัฒนาอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคําสอนใส่ลงไปในนั้นเลยเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าวิในใช่ไหมในในตอนต้นของสูตรว่างไงนะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้พบผู้เห็นภาริยะฉลาดในธรรมะของภาริยะและมีวินัยของพระอริยะวิในมีกี่อย่างสองอย่างนะสองอย่างก็ขยายเป็นอย่างละห้า เท่ากับวินัย10บนั้นความรู้อันนี้เนี่ยเมื่อตามองเห็นเป็นต้นแล้วนะเอาคําสอนเหล่านี้ใส่ลงไปในตรงนี้ถ้าผู้ใดมีความรู้อย่างเหล่านี้เนี่ยมาใส่ลงตรงวิญญาณอันนี้เนี่ยนะทัฒนาจนไอวิสิบอย่างเนี่ยมาอยู่ในใจเราแล้วเห็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็ใจก็เป็นไปกับวินัยเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าเริ่มเริ่มเข้าสู่แนวทางของทาริยะสาวกแล้ว แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเอาอยัางไงถ้าไม่ไม่ระลึกถึงคำสอนไม่ได้ ชาวนะนี่มีมีความสําคัญมากนะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องชวนะดีนะจะเข้าใจเรื่องสังวรเรื่องมีสติไม่มีสติเรื่องมีความรู้หรือไม่มีความรู้หรือว่าอดทนหรือไม่อดทนความเกียดคร้านแล้วก็จะเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆไปอีกมากนะโดยเฉพาะเรื่องกรรมนี่มีความสําคัญมากนะเพราะว่าเจตนาของชาวนะเนี่ยนะดวงที่หนึ่งเป็น ทิฏฐธรรมนะดวงที่7เป็นอุปชาเวทนิยกรรมดวงที่สองถึงดวงที่6เป็นอัปราปริยะเวทนิยกรรมที่ดูว่าวันวันหนึ่งเน่ทำกรรมมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นความไม่สํารวมแม่นั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าความไม่สํารวมในจักขุนศีน 4, นะถ้าปล่อยให้ชาวนะเป็นไปกับโลภะโทสะและโมหะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อไม่มีการสารวม นั้นมีอยู่เมื่อไม่มีการสำรวมคือชาวนะเป็นอากุศลอยู่เนี่ยนะทวานก็ดีผวังขจิตก็ดี น, น, นะนะทวานคือตัวตาก็ชื่อว่าไม่สำรวมพวังคจิตก็ชื่อว่าไม่สำรวมอาวัชนะจิตเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะทวิปัญจะก็ชื่อว่าไม่สำรวมด้วยสัมปติชนะสันติระนาโวทัพนะก็ชื่อว่าไม่สำรวมนะย่อมเป็นอันพโยขาวจรไม่คุ้มครองแล้ว เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อประตูทั้งสด้านในพระนครอันบุคคลไม่คุ้มครองแล้วภายในเรือนซุ้มประตูและห้องเป็นต้นเป็นอันบุคคลคุ้มครองดีแล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นสิ่งของทุกอย่างในพระนครเป็นอันไม่ได้รักษาไม่ได้คุ้มครองเลยพูดเหมือนบ้านเราเนี่ยนะประตูใหญ่ไม่ปิดปิดแต่ประตูเล็กอย่างดีเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ปิดนั่นแหละเหราะนั้น นะสมัยก่อนเนี่ยประตูเมืองเนี่ยเย็นเขจะต้องปิดหมดเลยสมัยนี้ประตูเมืองเปิด24ชั่วโมงนะถ้านึกภาพไม่ค่อยออกนะถนะ้เป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับประตูบ้านอนะ่ะประตูใหญ่นะถ้าไม่ปิดประตูใหญ่ประตูเล็กก็เหมือนกับไม่ปิดนั่นแหละเพราะโจรทั้งหลายเข้าไปทางประตูพระนครพึงรักสิ่งที่ตนปรารถนาได้ฉั้นใดเมื่อโทษเครื่องทูศีลบังเกิดขึ้นในชาวนาจิตอันนี้หมายถึงชาวนะในมโนทวารวิถีนะที่จะทูตศีลส่วนวิถีที่เหลือ เป็นอาสังวรเมื่อไม่มีการสำรวมในชวนาจิตนั้นทวารก็ดีผวังก็ดีวิถีจิตมีอวชนะจิตเป็นต้นก็ดีเป็นอันพิกษุไม่คุ้มครองชนะนั่ น, นแล er. แต่เมื่อศีลเป็นต้นเกิดที่ชวนาจิตนั้นทวารก็ดีผวังขจิตก็ดีวิถีจิตมีอวชนะจิตเป็นต้นก็ดีย่อมเป็นอันภิกษุคุ้มครองดีแล้วเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครอันบุคคลคุ้มครองดีแล้ว ภายในเรือนเป็นต้นอันบุคคลคุ้มครองไม่ดีแม้ก็จริงเนี่ยนะประตูใหญ่ปิดว่างั้นเถอะถึงประตูเล็กไม่ได้ปิดะนะถึงอย่างนั้นสิ่งของทุกอย่างภายในพระนครเป็นอันบุคคลรักษาดีแล้วเพราะเมื่อปิดประตูพระนครแล้วโจรทั้งหลายก็เข้าไปไม่ได้แม้ฉันใดเมื่อศีลเป็นต้นบังเกิดขึ้นในชาวนาจิตเนี่ยนะคือถ้ากุศลศีลก็คือทานศีลภาวนาเกิดขึ้นในกุศลชาวนาอะนะ ทวารก็ดีผวังขจิตก็ดีวิถีจิตมีอวชนะจิตเป็นต้นก็ดีเป็นอันภิกษุคุ้มครองแล้วดีแล้วฉะนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าจิตเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่สํารวมชาวนะเนี่ยนะชื่อว่าไม่สํารวมผวังด้วยว่า ง, งั้นเถอะนั้นผวังหรือจักขู่เป็นต้นชื่อว่าไม่สํารวม น, นะนะก็ในที่นี้ สติสังวรนี้เพิ่งทราบ ว, ว่าพระองค์ประสงค์เอาแล้วเนี่ยนะคือตัวสติเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พระองค์เนี่ยทรงประสงค์เพราะว่าถ้ามีสตินะในชวนะเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลแล้วก็เป็นไปกับภาวนาเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้เนี่ยทำให้เราเราเห็นว่าในการเห็นการได้ยินเป็นต้นหรือนึกคิดเนี่ยนะถ้าจิตเราไม่เป็นไปกับทานศีลภาวนาเนี่ยที่เหลือก็เป็นอกุศล แต่ทีนี้เราฟังคําว่าศีลมาจนจนชํานาญเลยฟังมาจนโอ้ปรุโปร่งหมดเห็นไหมแต่ว่ากระเทาะเปลือกกันนะยังไม่ได้เข้าเนื้อเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยได้แก่กายทุจริตกับวจีทุจริตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์เนี่ยต้องมันตรึกจริงๆนะว่าเป็นกายทุจริตอะไรได้บ้างเป็นวจีทุจริตอะไรได้บ้างในอารมณ์เนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์ล่วงทุจริตอะไรได้บ้างเนี่ยนะ เพราะว่าทุกอย่างเป็นอารมณปัจจัยของจิตหมดเลยอเมื่อเป็นอารมณปัจจัยของจิตเนี่ยจิตกี่ดวงที่ไปมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ใช่ไหมในในจิตยี่สดวงเนี่ยนะโลภะแเนี่ยเป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างโทสะสองเป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างโมหะสองเป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็มันมันใส่ใจจริงๆนะเพราะบางทีเนี่ยนะยกตัวอย่างเนี่ยฝุ่นเนี่ยนะเห็นฝุ่นเนี่ยถามว่าเป็นอารมณปัจจัยให้ทุจริตได้ไหม ได้เพราะว่าอาศัยเรื่องฝุ่นมานั่งคุยกันเปรียบเปรยกันกระทบกระเทียบกันอยู่นั่นแหละเป็นวจีกรรมเนี่ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นอารมณปัจจัยของกุศลก็ได้เป็นอารมณปัจจัยของอกุศลก็ได้นะถ้าเป็นอารมณปัจจัยของอกุศลเนี่ยอกุศลอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะต้องมันมาตรึกลักษณะนี้นะแล้วเราจะเข้าใจเรื่องจิต ด, ดีอย่างมองเห็นแล้วเป็นโทสะเนี่ยเป็นได้อย่างไง ถ้าโทสะนี่อาศัยสิ่งนี้มันกำเริบมากขึ้นได้ไหมเป็นกายกรรมไหมเป็นวจีกรรมไหมเป็นมนโนกรรมไหมอะไรไหมก็เอาเรื่องนี้มาตึกให้มากๆชาวนะจะได้เป็นไปกับกุศลศีลให้คุ้นมากขึ้นเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าภาวนาก็ในหนึ่งอารมณ์ก็หมั่นสงเคราะห์โดยขันธ์ธาตุายตนะมากๆจนชนานํานาญละกันะเนี่นยนะเพราะว่าถ้าโดยปัจจยัย4ีเนี่ยพระองค์นสอนให้พิจารณามากจริงๆนะ พระ อ, องค์ตรัสกับพระราหุูว่าตาญหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยจีวร อ, อาศัยอาหารบินทบาทอาศัยเสนาสนะอาศัยยารักษาโรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาทั้งหมดเลยั้นมีวินัยที่จะต้องให้พิจารณาเรื่องของปัจจัยสเนี่ยนะในซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปแต่ตรงนี้ยกจักขุทวานเป็นต้นขึ้นมาก่อนเนี่ยนะทวานที่เหลือก็ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเราต้องมันพยายามเอาไปตรึกนะถ้าตรึกอ่อนนี้น่าเสียดายว่ากุศลจิตเกิดอ่อนด้วยเวลาหมดแล้วครับผมท่านใดมีปัญหาที่จันมัสการถามก็ขอเดินเชิญครับ <c oughs> นะรูปงประรมแล้วเห็นว่าจะทำให้เราเกิดอกิเลแล้วก็มนานาสการน้อยลงไปหน่อยถือมองแป๊บเดียว กไ็ไม่มองอีกต่อไปอย่างนี้ถือว่าสติทํางานร่วมหรือเปล่าครับผมครับร่วมด้วยแต่ว่ามันอ่อนเหลือเกินเพราะว่าไม่ดูอย่างนี้มันก็ไปเป็นบาปอีกเรื่องใหม่อีกใช่ไหมครับผมอ่าสมมตินั้นหลบอันนี้ไปดูอันใหม่ก็ไปกิเลสเกิดอาศัยอันใหม่มันก็ไปเรื่อยถ้าหลบไปไหนเพราะฉะนั้นกรรมตรงนี้ก็คือทํำยังไงที่จะเข้าใจเรื่องสังวรเนี่ยนะ เนี่ยนะทั้งสังวรวินยัยปะหานะวินัยให้เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นให้ได้คือคําว่าสังวรเนี่ยไม่ได้หลบอย่างเดียวนะสังวรมีอะไรหนึ่งศีละสังวรใช่ไหมทายังไงจึงจะ เ, เป็นอารามณปัจจัยของศีลได้ไหมนะก็คือใส่ความรู้ในคําสอนใส่ลงไปที่จริงแล้วน ะ, ะในชีวิตของเราก็ทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอะ่ะถ้าศีลนะถ้าเป็นพระเอาวินยัยปิฎกใส่ลงมาเลยเนี่ยนะเอาวินัยปิฎกของเราเอากรรมบวชสิบก็พอ เนี่ยนะถ้าของพระเนี่ยเป็นประราชิกได้ไหมอาศัยสิ่งเนี้ยประราชิกได้ไหมสังขาธิเสศตไหมปาจิตตีทุร จ, จยัยทุกกฎทุกพาสิท์จะเป็นอบัตอะไรได้บ้างก็ต้องเอามาฝึกเรื่องนี้ตรึกให้ให้ชํานาญเลยเนี่ยนะถ้าเป็นพสูดเด็กใส่พระสงฆ์ข้อพสูดลงมาสงฆ์ข้ออภิธรรมลงมามจะเป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นฝึกแบบนั้นฝึกจนชํานาญเห็นตั๊บเป็นกุศลเลยถ้าถ้าจะพาะว่าเออเห็นอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาอันนี้มันมันเหมือนกับการแก้ปัญหาปลาเหตุ เหมือนกับว่าเป็นแผลอยู่แล้วหมดเต็มตัวนะเพียงแต่ว่าให้มันเจ็บน้อยๆหน่อยอ ย, อย่างที่ผู้การว่านะก็ก็ดีเหมือนกันนะจะได้บาปน้อยๆหน่อย